พูดสวัสดีค่ะท่าน FM 106 กันอีกแล้วนะคะอีกอีกแล้วนะคะดิฉันก็ มาถึงวันนี้มีคําถามที่ท่านอาจารย์เพบูนได้แจ้งมาว่าผู้ฟังเนี่ยได้โทรศัพท์ไปกราบเรียนถามท่านเดี๋ยวเราไป ถ้าเพื่อนฟังท่านอื่นน่ะจะได้ประโยชน์จากคํา นะถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเอ๊ะแล้วเราไม่ เงินในที่นี้คุณแน่นอนจะต้องได้มาจาก เรียงทรัพย์กรรมกรอะไรพวกเนี้ยให้ 1 ค่ะเอ่อเร 2 ก็คือว่าไว้สําหรับที่จะ 2 ข้อที่ 3 นี่คือ บริจาคใช่กรรมนี้ 3 เนี่ยคือให้ไปเลยแล้วไม่กะเอาคืนแต่เช่นบางทีสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนที่เทวดาเอ่ออะไร <Okay. S 1> 3 นะ, <Okay. S 1> นะ 3 เงินก้อนที่ 4 ก็คือว่าเพื่อบุญกุศลของเราและพระเจ้าจึงให้แบ่งเงินก้อน 3 ไม่ 4 ทั้ง 3 และ 4 เป็นเงิน 3 เนี่ย เอ่อเหมือนกับ 3 ใน 4 เนี่ยเราเล็ง<ใช> 4 จะไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้ถาม ในส่วนแรกอาจจะมากหน่อยน่ะ 1 และ 3 นะ 1 และ 3 ส่วน 1 คือส่วนที่แบ่งหลายๆส่วนอยู่นะในส่วนหนึ่งก็ยังแบ่งย่อยไปอีกว่ามารดาบิดาเท่าถ้า 1 เอ่อใช้ แต่ถ้าเราจะไปเอาเงินส่วนอื่นมาใช้หรือไม่มี<ใช> เลี้ยงท่านยามเมื่อท่านแก่เท้านะเราได้เงินมาเราควรจะต้องแบ่งปันให้ท่าน 2 เอ่อ 3 ก็คือว่า ตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้ตรวจสอบมี question mark มีใหญ่ๆอยู่ไม่รู้ว่าเงินไปไหนเนี่ยแล้วให้ไปแล้วก็หมดใช้ 4 อย่างนี้ แล้วก็เป็นนักเล่นเจ้าชู้หรือว่าเอ่อหรือว่ามีเพื่อนชั่วนะเพื่อนชั่ว 3 นะเป็นนักเล่นเจ้าชู้ ให้ไปแล้วไม่พอสักทีเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันไปลงหลุมไหนนะอบายคือทางต่ํานะปากทาง 4 ทางไอ้ 4 ทางนี่แหละ นะบ่อน้ํานี้ก็ไม่เต็มซะดีแหล่งน้ํานี้ก็ไม่เต็มซะดีไหลเข้าเมื่อไหร่ก็ไหลออกหมดไหลเข้าเมื่อไหร่ก็ไหลออกหมดนะเราจึงต้อง <Okay. S 1> นั่นคือเพราะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณมานาบิดาถ้าสมมุติมานาบิดาเราไม่มีศีล น่ะตรงเนี้ยจะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มากอยอยอยอยอย 4 อย่างอย มันจะใครหวังว่าใครจะมาทําอ่ะนะหวังแต่หน้าที่ที่เต็มๆของเราเลยคือลูกควรจะต้องทํานะถ้าเพราะฉะนั้นเราต้องควรจะไปหาต้นเหตุนะด้วยว่าไม่ด้วยวิธีใดก็ต้อง <ฮ ะ. S 1> และเราถ้าเราทําเรายิ่งจะเป็นการตอบแทนบุญเลย 60 ไปแล ว, แต่พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าถ้าใครสักและในช่วงวัยสักวัยใดวัยหนึ่งวัยต้นวัยและถ้าจนถึงวัยปลายจนใกล้จะหมดแล้วเนี่ยโอ้อันตรายมากนะคุณคุณเรียกว่าเป็นพูดที่ประมาทมากเอ่อเพราะฉะนั้นเราต้อง นะไอ้เงินที่เราควรจะให้นี้ต้องให้แน่นะแบ่งเร<ใช> นะ, นะ. นะ. 3 เรื่องตรงนี้เดี๋ยวก่อนท่านๆแค่ไหนใช่มั้ยคะแล้วเรานั้นหน้า ในอืมแล้วก็ไม่อ่าพวกหนี้นอกระบบใช่มั้ยอ่าใช่หนี้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นก็ ถ้าในกรณีเช่นนั้นในไม่พอเช่นนั้นบัดเจ็ตไม่ต้องการเอ่อก็คงจะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะคือถ้าเอ่อสินทรัพย์ นะตอนนี้อาตมากําลังพูดถึงในกรณีที่ว่าเอ่อในทางคําสั่งของผู้เจ้าเนี่ยทางออกก่อนนะทางเข้าคุณ <c oughs> formalise ทัศนคติด้วยที่ท่านจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าใช่เอ่อให้มีน้ำหนัก คถาเป็นบทพยัญชนะที่ที่อยู่ 6 เนี่ยที่บอกว่ามรรดาบุตรเนี่ยเอ่อเมื่อบรรดาบิดาเราเมื่อท่านแก่เท้าเราต้องเลี้ยง 1 ใน 6 ข้อนะแล้วก็อีก นะที่ไปเปรียบเทียบ 100 ปีนะ 2 คือฐานะท่านนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะๆแล้วก็ยังคุณธรรม 4 ก็โรหังแก้ปัญหาให้กับท่านไปก็ชี้แจงให้จะให้สิ่งที่ดีอือหมายความว่าอะไรคะท่าน นั่นคือเหมือนกับว่าเราจะไปเลี้ยงค่ะพอเสมอกันใช่นะ กับผู้ที่ฟังรายการเพราะบางที นมัสการขอบพระคุณท่านไพบูลย์ 3 เอ่อ FM 106 นะคะครอบครัวขา